อันนั่นแหละมาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมฐานพิจารณาไปเช่นอย่างสมมติว่าเราอาจจะพิจารณาว่าหัวใจมีลักษณะอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรตามที่ท่านเคยเรียนมานั่นแหละแท่งลงไปให้มันมองเห็นด้วยจิตด้วยใจกันจริงๆ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 เมื่อเจ็ตของท่านสงบปลปรงไปแล้วท่านจะมองเห็นสิ่งที่ท่านพิจารณานั้นเป็นนิมิตขึ้นมาภายในจิตในใจอาตมาว่าเป็นการง่ายที่สุดสําหรับการเจริญอสุภะกรรมาฐานของบรรดาในแพทยทั้งหลายที่เคยเรียนมาแล้วทีนี้ในเมื่อท่านพิจารณาเรื่องอวัยวะต่างๆซึ่งมีภายในกายที่ท่านเรียนผ่านมาแล้วนี่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 นี่เป็นนิมิตเบื้องต้นที่จะพึงเกิดขึ้นทีนี้เมื่อจิตสงบพระอียอตลงไปกันจริงๆแล้วจนกระทั่งท่านรู้สึกว่าจิตของท่านยังเหลือแต่จิตล้วนๆร่างกายไม่ปรากฏในความรู้สึกและการมองเห็นนิมิตนั้นจะรู้สึกว่าเห็นด้วยใจล้วนๆโดยไม่มีประสาททางกายเจือผลนแม่แต่ประการใด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 จะได้ขอนําเรื่องส่วนตัวมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังในสมัยเมื่ออายุ22ปีอาธมะป่วยเป็นวรรณโรคในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองยาที่จะรักษาโรควันนรกนี้ยังไม่มียังไม่มีใครรับรองว่ารักษาวรรณโรคหายที่นี้พอดีท่านอาจารย์ฟัน้นท่านมาจำพรรษาด้วย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 อโทเกสัมััตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตจาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโรนานปการัสสัสจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอธิมัตสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้เกษาคือผมทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่ผม โลมาคือขนทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่ขนหน้าขาคือเล็บทั้งหลาย น, น้อมจิตนึกไปที่เล็บดันตาคือฟันทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่ฟันตาโจคือหนังน้อมจิตนึกไปที่หนังมังสังคือเนื้อน้อมจิตนึกไปที่เนื้อนาหารุคือเอไนน้อมจิตไปที่เอ็น อาทิคือกระดูกทั้งหลายน้อมจิตไปที่กระดูกอาทีมินชังคือเยื่อในกระดูกน้อมจิตไปทีเ่เยื่อในกระดูกวักกังม้ามน้อมจิตไปที่ ม, าม้านหัดทะยังหัวใจน้อมจิตไปที่หัวใจปภาสังปอดน้อมจิตไปที่ปอดเพราะโอปาทานเคยยึดถือว่าวั น, นโลกเป็นอยู่ที่ปอด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 ในตอนแรกๆมันก็รู้สึกว่ากายก็ยังปลากรดจุลมหายใจก็ยังปลากอยู่แล้วก็มองเห็นปอดด้วยใคล้ๆกับมองเห็นด้วยสายตาไหลรูด้ด้วยใจในเมื่อจเจตแ่งอยู่ที่ปอดโดยไม่ลดละเจตก็ค่อยสงบละเอียดลงไปสงบละเอียดลงไปเมื่อเจตสงบละเอียดลงไปจริงๆแล้ว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 มองเห็นผงกระดูกปลอยอยู่บนพื้นดินเหมือนเหมือนกับขี้เท่าโปรยอยู่บนกองทรายแล้วอยู่มาอีกขณะหนึ่งพอผงกระดูกหายลงไปในพื้นแผ่นดินมองไม่เห็นผงกระดูกในที่สุดพื้นแผ่นดินที่มองเห็นอยู่นั้นก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตรวงเดียวเท่านั้นแล้วอีกสักพักหนึ่ง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 แล้วก็เป็นน้ำหนองออกมาอย่างเหม็นเน่าแล้วก็ค่อยๆจางหายไปทีละน้อยอะน้ยในที่สุดเลือดหายขาดหนองที่ค่อยออกก็หายร่างกายก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งหายมาจนกระทั่งบัดนี้อันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูสิว่าการบาเพ็ญกรรมฐานเนี่ยเกี่ยวกับการพิจารณาอสุภกรรมฐานเนี่ย ทจ่จรนาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่มีทางพอที่จะช่วยอารมณ์ภัยไข้เจ็บได้ไหมในฐานะที่ท่านทั้งหลายก็เป็นเป็นในแพทย์ที่เรียนผ่านมาแล้วแต่อัตมาภาพในยืนยันรับรองได้ว่าวันนรคของอัตมาที่เป็นนั้นหายเพราะการภาวนาเพราะความรู้สภาวะที่เป็นจริงซึ่งเกิดขึ้นในจิตในใจ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 ก็เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่าการบําเพ็ญสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีสามารถที่จะช่วยรักษาโรคเจ็ให้หายได้บ้างไหมอันนี้ขอฝากไว้ท่านทั้งหลายพิจารณาและอีกอย่างหนึ่งมีท่านอาจารย์องค์หนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งเหมือนกันท่านอาจารย์จยันเขมปะตู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 ว่าการทำสมาธิภาวนาพุโทโธพุโทโธพุทโธตามที่หลวงพ่อบอกแน่น่ะเจตของหนูไม่เคยสงบนิ่งสว่างเป็นสมาธิสักทีแต่ว่ามันแปลกอยู่อย่างหนึ่งเวลาตรวจโลกพอจับเครื่องฟังเข้ามาสวมเข้าหูท่านนั้นจิตมันโวกไปประท่าล่างคนไข้แล้วมันก็รายงานออกมาได้ว่าเขาเป็นโลกอย่างนั้นควรจะให้ยาอย่างนั้นในเมื่อไปตรวจดูจริงๆแล้วมันก็ถูกต้อง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 การทำสมาธิคือการสร้างพลังจิตพลังจิตนี้เราสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาโรคไัยไข้เจ็บหรือเทคโนโลยีต่างๆในสมัยปัจจุบันนี้ได้ไหมอาตมาก็ไม่ไดเรียนในทางนั้นแต่ในเรื่องส่วนตัวนี่เชื่อมั่นและเกิดว่าโรคภัไข้เจ็บที่เคยผ่านเคยเป็นผ่านมาแล้วเนี่ยรักษาด้วยพลังแห่งสมาธิ ที่น้การใช้พลังจิตหรือพลังแห่งสมาธินั้นอาจาภาพก็เคยทดลองดูท่านอาจารย์ฟั่นท่านว่าการพิจารณาอาการ32เอนี่เป็นการเพ่งกะสินการเพ่งกะสินภายในคือเพ่งขมผลแนบฟันหนังเนือเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นฐานที่สร้างพลังทางจิตคือทำให้สติด้านกลายเป็นมหาสติขึ้นมา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 ในเมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านแล้วเมื่อมันเกิดผลขึ้นมาก็เที่ยวไปชี้มือบอกให้กิ่งไม้มันหักมันก็หั ก, กลงมาบอกให้ต้นมะพร้าวมันหักมันก็หั ก, กลงมาแต่แล้วมันก็เป็นพอได้รู้ได้เห็นข้อเท็จจริงเท่านั้นเองเวลานี้ก็ทำให้ท่านหลายอาจจะบอกว่าหลวงพ่อทดลองให้ดูได้ไหมอันนี้ขอยอมแพ้ไ้ก่อนเพว่า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 ไม่สามารถที่จะรู้จักชื่อแห่งธรรมะนั่นได้จะถือว่าเป็นการใช้ได้ไหมท่านรับสั่งถามอย่างนี้อาตอมาก็ถวายพระพรท่านว่าขอถวายพระพรพระมหาพอพิทพ ร, ราชสมผ่านเจ้าโดยธรรมชาติของสัตว์จะทรรซึ่งเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติตามความเป็นจริงย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติใดๆทั้งสิ้น เราไม่มีขาที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรอันนี้คือธรรมชาติของสัจธรรมที่ปรากฏขึ้นพระมหาบอพิษจะทรงต้องการหลักฐานไหมพระองค์ก็รับสั่งว่าถ้ามีก็ดีอัตมาก็เลยยกเอาอยางกินจิสมุทยธยธรรมังสพันตังนิโรธธรรมมันติในท้ายแห่งธรรมจักรกับปรวรตณนสูตร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 ในสายสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอาจจะมานำมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังโดยดย่นย่อเข้าใจว่าพอที่จะเป็นกติเตือนใจ <c oughs> แต่ขอย้ำเตือนอีกอย่างหนึ่วาการปฏิบัติธรรมนี่อย่าไปติดวิธีการให้มากนะัก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 ในเมื่อเราเรียนรู้แล้วเรายอมรับสภาพความเป็นจริงในความเป็นของเราเพราะเรายอมรับสภาพความเป็นจริงเราจรึงจะปฏิบัติหน้าที่ของเราได้โดยสมบูรณ์